ต้อมส่งกันบ้านจิตเบาขึ้นเยอะนะครับจิตเบาขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานตามดูที่หลวงพี่ให้ดูตัวมนสิการกับตัวมโนสัญญาเจตนาก็มาทาํางานยังไงมนาศิการเนี่ยเห็นทุกชัดเจนแต่ตัวที่ไหวไปตามอารมณ์ตามรู้เนี่ยยังเห็นเป็นทุกน้อยมากแล้วก็ตามดูจนกระทั่ง เ, เห็นทานเขาในระดับหนึ่งเห็นทันเขาในระดับหนึ่งแล้วก็เกิดสภาวะอันนึงที่เป็นผลก็คือ เหมือนกิดไปรู้อะไรอย่างหนึ่งซึ่งสะอาดมากแล้วก็สว่างไม่มีไม่มีอากาศสาไม่มีสติไม่มีตัวที่เราเข้าไปดูไม่มีมนาสิการครับไม่ใช่นิพพานนะไม่ใช่นิพพานนะเหตุจะมันตองเปนนิพพาน <c oughs> เอาว น, นั้นเกิดที่กุติหนึ่งครั้งแล้วก็ลองมาลองที่นี่ดูก็เกิดที่นี่ได้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นไม่ใช่ลักษณะ อ, ะอักเสบอย่าดูให้มันยุ่งเยอะเกินไปดูง่ายๆไม่ต้องดูซับซ้อนดูแค่เห็นกิเลสเกิดแล้วดับเกิดแลดับไปไม่ดูเยอะหรอกเพราะว่าแค่เห็นสภาวธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นมาสภาวธรรมทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นแค่นั้นแหละดูแค่นั้น มันจะค่อยๆละค่อยๆต อ, อ, อดถอนความเห็นผิดว่าขันห้าที่รวมกันนี้เป็นตัวเราแล้วสึกมีเราอยู่คนหนึ่งแล้วกระจายขันออกไปเป็นสภาวธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วสติปัญญาตามเห็นสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวเราจริงหลักแค่นั้นนะไม่ต้องดูละเอียดนักก็ได้ดูละเอียดแล้วคนคว้าเยอะเกินปัญญาลรำน้า มีปัญญาล้าไปตรงต้อมมีปัญหาเรื่องปัญญามันล้ําไปเรื่อยๆก็นั่งสมาธินะคะหลวงอามันก็สลับไปกับไปวิปัสสนานางหาหลวงอามันมันคราวนี้ว่าเาลืมตาแล้หลับตาเวลามันก็จะเข้าไปตรงที่ที่ฐานตรงนั้นนะคะหลวงอาแต่คราวนี้มันทะลุไปถึงกลางกระหม่อมนะคะมันก็คือลมหายใจมันก็ขึ้นมานะคะหลวงอา ก็เพียงแต่ลุกไปเรื่อยๆก็เหมือนที่อยู่อาบอกให้<ม>ตามไม่ต้องคนลนคว้าเยอะนะพูเนี้ยชอบคนคว้ามากไปนี่ค้นคว้าเหรอคะหลวงอามันมันเป็นของมันเองนะคะนั่นใจมันโลดโผนเกินไปเกิดจําเป็น <c oughs> จิตมัน<ค>เป็นไปเองใช่ไหมคะแต่นุนไม่ได้ตั้งใจนะคะหลวงอาจริงแค่ดูกิเลส ท, ที่เกิดดับอยู่เฉพาะหน้าก็พอละไม่ต้องดูเยอะหรอกพระพ เ, เจ้าสอนไม่ได้สอนเยอะนะ สำหรับแต่ละค น, นะสอนจิตคู่เดียวก็พอละจิตมีราคะไม่มีราคะคู่เดียวก็พอโทสะไม่มีโทสะโมหะไม่มีโทษโมหะคู่เดียวก็พอละอมไม่ต้องรู้เยอะรับ ร, รู้มากยากนานค่ะก็จิตมันมันไปของมันเองหานุน อ, อาพี่แต่ว่าเราเราหมกมุ่นในการปฏิบัติมากไป ม, มันหมกมุ่นเกินก็คิดอยูอ่เหมือนกันนะคะอยู่วัดอยู่เฉยๆแล้วมันก็เบื่อเหมือนกัน บางก็อยากกลับบ้านเหมือนกันน่าหนูอาอยากกลับไปทํางานแบบให้ดูมันมันเผลอมากกว่าแต่วันเนี้ยไล่กลับบ้านแล้วมี <c oughs> ขออยู่ก็ไม่ให้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่เป็นชั่ววูบเลยครับแบบรู้สึกว่าทำงานแล้วแล้ปฏิบัติมันก็ได้นีไ ง, ไงที่หลวงพ่อเลยไม่ค่อยได้ให้มาอยู่วัดกันใช่ไหมต้องตื่นจริงๆถึงจะ ย, ยอมให้ถ้าถ้าจิตยังไม่ตื่นเต็มที่มานะมาอยู่วัดเนี่ย ถ้าไม่หมกมุ่นปฏิบัติมากไปนะก็ฟุ้งซ่านไปเลยมีให้สองทางเลือกถ้าเรียนรู้ตัวเองเยอะๆอย่าไปหลงกับความปรุงแต่งมากนะักดูเขาทำงานแต่ว่าไม่ใช่ตามดูละเอียดยิบดูน้อยๆหน่อยดูน้อยๆหน่อยฉ อ, อนดูแค่กิเลสเกิดแล้วกิเลสดับก็พอแล้วอันอื่นไม่ต้องดูหรอกแล้คะแต่สังเกตว่าจิตตัวเองมันก็ไม่ได้เข้าไป รวมด้วยหมายว่าไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งด้วยค่ะไอ้มันปรุงการปฏิบัตินั่นแหละอ๋อละเอียดนะคะว่าก็ น, นิสัยเราเป็นอย่างนั้นนิสัยมันชอบรู้ละเอียดนี่ตรงที่จงใจรู้ละเอียดเกินไปเนะี่ปัญญามันจะล้าหน้านจะล้าหน้าไอ้นู้นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้นะหมารู้หมดเลยแล้วก็ไม่ตัดอตั้มจิต ด, ดีขึ้นรู้สึกไหม พอรู้ว่าปัญญารําหน้าเลยค่อยดีขึ้นหน่อยสมาธิค่อยเกิดขึ้นมารู้สึกไหมใจมีสมาธิขึ้นมาไม่งันมีแต่ปัญญาร่ำร่ำร่ำไปนะฟุ้งซ่านใจไม่ตั้งมัน่นพอรู้ทันตรงนี้ใจก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยเข้าที่หนยค่อยเข้าที่ง่ายๆเอาเริ่มไม่เอาและเริ่มเพียนไปอีกแล้วอืม นุชรัตดูกิเลสไปกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวไหนเกิดบ่อยโทสะมัคะหลวงอาเงี้นดูโทสะตัวอื่นช่างมันเลยใจมีโทสะกับใจไม่มีโทสะดูมันคู่เดียวไม่ต้องเรียนเยอะนะเรียนเยอะไปเราฟุ้งซ่านนะกรัตครับพอดีเมื่อวานหลังจากที่ ส่งกันบ้านตอนเช้าเสร็จนะครับก็มาเดินจงกลมพอละไอตัวตัวไอความจงใจอยากปฏิบัตินะครับมันก็เดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วมันเห็นไอความจงใจปฏิบัติมันมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ถ้าหลังจากนั้นในระหว่างวันมันก็มันไม่เห็นตอนเกิดแล้วมันจะไปเห็นตอนตอนมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วไปเห็นห่างมันทีหลังนะครับเห็นห่างมันก็ดีแล้วต้องเห็นตัวหัวไม่หรอก ที่เคเห็นสภาวะท่างหลายอพราะไหลแวบพอรู้สึกแล้วก็ขาดไปขาดไปขาดไปเห็นได้ความดับเห็นได้ดับดับดับไปเลย่อยยอดดีดุชรัดไม่ธรรมดารู้สึกไหมไม่ธรรมดาเอกกษณ์ดีแล้วล่ะดูไเรื่อยใช้ได้สองก็ก็ยังมีโมหะอยู่บ้างครับแต่ว่าอ ก็มันเริ่มเข้าใจว่าโมหะของผมที่มันดูเหมือนจะเที่ยงเพราะว่าผู้รู้ที่ผมยึดไว้มันเทียมมันไม่ใช่ของจริงมันเลยไม่ตื่นเวลารู้เลยไม่ตื่นขึ้นมาถ้าเราเข้าใจกระบวนการมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือจะทั้งโมหะนะก็เป็นสิ่งที่เราไปปรุงแต่งขึ้นมาเราไปน้อมใจให้ซึมเราตัวว่าจะไม่มีผู้รู้ก็ไปน้อมใจแล้วก็ไปทําผู้รู้ขึ้นมาตัวหนึ่ง มันเป็นผู้รู้ที่เราสร้างขึ้นมาใจก็เลยซึมๆอยู่อย่างนั้นเลยอย่าไปทํามันขึ้นมา ใ, นใจก็สบายไม่มีโมหะหรอกครับที่แล้วผมไม่รู้ว่าอะไรซึมผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าอา๋อผู้รู้มันผมปรุงผู้รู้ปลอมๆขึ้นมนาะเออดีนะคือการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้หัดสังเกตไปเรนะื่อยๆจนเข้าใจมันเข้าใจความปรุงแต่งอะจิตเรานะจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเรารู้ไม่ทัน รู้ไม่ทันเราก็ไปติดในภพที่จิตสร้างขึ้นมาพอรู้ทานจิตก็ไม่ติดในภพอันนั้นเด็กก็ไปติดตัวอื่นต่อทำไมต้องไปสร้างโน้นสร้างนี้ขึ้นมารากเง่าของมันก็คือตัวเรานั่นเองมันมีตัวเราแล้วก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขก็เลยไปสร้างภพขึ้นมาแล้วก็เข้าไปติดอยู่กับภพบอันนั้นเดดีแล้วนะชิรัตใจค่อยตื่นแล้วไปติดอยู่ตั้งนานไนงะ ดูไม่ออกอดูไม่ออกหลวงพ่อเคยติดบางตัวตั้งหลายปีนะนตัวนะงงคลําอยู่ตั้งรวมยี่สิปีหลวงพอมันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาแล้วนะไม่รู้จะดูตัวไหนไม่รู้จะดูตัวไหนจะดูผู้รู้ก็ท่าจะเข้าทีนะหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตก็น่าจะดูผู้รู้แล้วหลวงปู่ดูลบอกให้ทํำลายผู้รู้ซิต่าแล้วก็งง ง, ง ผู้รู้ดูเข้าไปมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูความสุขพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกทุกมันเป็นตัวที่ถูกรู้มันทุกมันก็น่าจะดูตัวถูกรู้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตน่าจะดูผูร้รู้ไม่ขัดแย้งกันงงมากเลยขยับจะถามครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลอยู่นะว่าจะให้ดูตัวไหนก็ขยับขยับเอาไว้ดูเองโอ้กว่าจะเข้าใจนะตั้งยี่สิบปีได้ ที่แท้ไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวทุกตัวที่เกิดขึ้นล้วนในดับทั้งสิ้นเราคิดภาวนาเราคิดแต่จะเอานะจะเอาเอาตัวนี้ถ้าจะดีนะหรือจะเอาตัวนี้ดีถ้าไปอยู่กับตัวนี้แล้ววันหนึ่งคงจะได้อันนี้มาจะได้มรรคผลนิพพานชั้นสูงขึ้นมาคิดแต่จะเอาคิดแต่จะดีคิดแต่จะได้การภาวนาเลยรุ่มรุมดอนเคยไปเรียบเคียงถาหลวงปู่ดูลนะ ท่านบอกให้ดูจิตดูจิตเนี่ยนะเราก็สงสัยมันมีสองตัวแทนที่จะถามท่านตรงๆนะมีการขยักจะเอาไว้ดูเองนะตัวอื่นดูเองหมดเลยตัวนี้ก็จะดูเองบ้างเสร็จแล้วดูแล้วไม่เข้าใจนะก็ไปเรียบเรียบเชียงเคียงถามท่านหลวงปู่จิตมันตั้งอยู่ที่ไหนกะว่าถ้าท่านบอกว่าอยู่กลางหน้าอกเราก็จะดูหน้าอกนะถ้าท่านตั้งบอกอยู่ข้างบนนี่เป็นตัวรู้เนี่ยเราจะดูตัวนี้หลวงปู่ก็บอกว่า จิตไม่มีที่ตั้งด้วยงงหนักกระเก่าอีกก็ถามแล้วยิ่งแทนที่จะรู้เรื่องนะจิตไม่ได้มีที่ตั้งจริงท่านบอกตรงๆเลยจิตมันเกิดที่ไหนมันก็ดับลงตรงนั้นเลยแล้วดับทันทีตรงนั้นเลยดับอย่างรวดเร็วเลยมันตั้งอยู่ได้ที่ไหนเกิดที่ตานะก็อยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ดับไปเกิดที่ใจก็อยู่ทีละขณะทีละขณะแล้วก็ดับไปตอนหลังถึงเข้าใจว่าจิตมีที่ตั้งเหมือนกันแหละ ตั้งอยู่กับปัจจุบันไม่ไปตั้งอดีตอนาคตนะไม่ไปตั้งแช่ที่ไหนทั้งสิ้นเลยตั้งอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันปรากฏอะไรขึ้นมาก็รู้อันนั้นแหละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไปไม่ใช่รู้แล้วเอาไว้การปฏิบัติเราต้องใจถึงถึงนะค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตมันคือการศึกษาตัวเองครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะ่ะไม่บอกเลยนะหลวงพ่อยังบอกเยอะนะบอกให้เยอะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่ไมีบอกเลย เรียนจากหลวงปู่ดูลนะสอนให้ดูจิตตัวเองที่ดูอยู่สามเดือนดูผิดซี่อีกทั้งที่สองไปหาท่านท่านบอกไอ้ที่ดูอยู่มันผิดมันเป็นอาการของจิตให้กลับไปดูใหม่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะค่อยๆมารูปคลมหาทางภาวนาวค่อยๆสังเกตไปไอ้วันนี้ทำไมจิตเป็นอย่างนี้วันนี้จิตเป็นอย่างนี้บางวันทำไมภาวนาง่ายภาวนาสบายบางวันทาไมสับสนชุ้งซ่านไปหมดนะ แต่และ ว, วันทำไมไม่เหมือนกันเลยต่อมาก็เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็รู้เหตุรู้ผลมันรู้เหตุรู้ผลมันทั้งหมดเราปรุงขึ้นทั้งหมดอนะ่ะกระทั่งจิตที่ซึมๆมของจิรัสก็เพราะจิรัสไปปรุงมันขึ้นมาเนี่ยเราค่อยรู้ค่อยเห็นนะแล้วมันจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจพอเราเกิดสภาวะขึ้นมาวันหนึ่งสองวันก็มาถามแล้วนะถามแล้วก็บอกให้แก้ไปละไม่ทราบซึง้งอเดี๋ยวก็ติดอีก เดี๋ยวก็มาติดใหม่ถ้าทราบซึ้งถึงอกถึงใจนี่นะมันจำข้ามพพข้ามชาติเลยต่อไปเวลาไปบอกคนอื่นนะมันแม่นมันไม่รูปลุกคลําลแล้วเอ้ยนี่ก็เคยติดอันนี้ก็เคยติดนะอย่างหลวงพ่อไม่ใช่ภาวนาเก่งนะหลวงพ่อภาวนาไม่เอาไหนเล ย, เยนู่นก็ติดอันนี้ก็ติดนะติดมาก่อนลนะผิดนูนผิดนี่ไปด้วย okay. คือเวลาเหมือนบริกรรมพุโทโธแล้วมันรู้สึกเหมือนมันไม่มีปัญญาเลยอะคะ่ะมันแบบมันเหมือนมันทําไปงั้นๆนะคะอยากมีปัญญาไหมให้รู้ลงไปเลยนะอยากได้ปัญญาเนใจไม่คงที่แล้วเห็นไหมใจเกิดความอยากขึ้นมาหรือภาวนาแล้วใจเกิดสงสัยข้นยรู้ว่าสงสัยสภาวะทั้งหลายไม่เคยคงที่เลยการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายที่ไม่คงที่นะนะั่นแหละเรียกว่าปัญญาละ เราจะเอาปัญญาอะไรอีกนอกจากไตรลักในหลวงนั่งเคยไปหาโลวงปู่เทศถามโลกงปู่เทศท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่ถามอะไรธรรมดาธรรมดาถามก็ต้องถามสุดยอดไปเลยถามโลวงปู่เทศอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาโลวงปู่เทศบอกว่าเจตนาวิรัตเจตนางดเบ้นการทาชั่วเนี่ยเป็นที่สุดของศีล อัปนาสมาธิเป็นที่สุดของสมาธิไรลักษ์เป็นที่สุดของปัญญาที่เราจะต้องเดินไปงั้นการที่หญิงเห็นใจเกิดความสงสัยขึ้นมาใจรู้สึกกลัวงโง่เนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ใจทีแรกเฉยๆตอนนี้กลัวงโง่นี่ใจไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ก็ปัญญานั่น <c oughs> แหละเรื่องสี่สิบแปด <c oughs> เห็นตัว <c oughs> เองว่าที่ท ผ, ผ่านมาหลายๆอาทิตย์นะครับว่าตเองอยากอยากเอามากครับอยากหลงรู้หลงอยากรู้เวทนาอยากรู้ อ, อะไรเงี้ยมากก็มาเมื่อวานก็เลยเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่รอบนะครับแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆสังเกตตัวเองแค่จับแค่คู่เดียวอย่างที่พ่อบอกเราสึกตัเองดีขึ้นมานิดหนึ่ง ดีแล้ว ด, ดีก็ดีนะกิรัตเริ่มเก่อีกแล้วจิรัตอย่าอยากดีรัดดีหามจัวจ่วจั่วก็หนักนะใครยกจั่วสาลานี้ได้นับถือเลยใช่ได้นะ้วอาคุณโตนั่งดูกระแสความคิดนะครับเห็นมันมาแล้วมันไปแล้วบางทีก็มาอีกไปไปมามาเงี้ยครับก็บางทีเราก็เติม ด้วยเติมจนมเมื่อกี้นะฮะสภาวะเมื่อกี้คือสงสัยหนักขึ้นแต่ก็ปล่อยไ ป, ไปครับที่หลวงพ่อบอกว่าเราทําเองทั้งนั้นนะครับอะไรนะเราเป็นคนปรุงขึ้นมาเองทั้งนั้นใช่คือจริงเราปรุงนะเพราะมันต้องปรุงเนะมันมีอวิชชาสามใดที่ยังมีอวิชชาก็มีการปรุงมาแนละ้วอวิชชาถึงเป็นปัจจัยของสังขารปรุงชั่วก็ได้ปรุงดีก็ได้ปรุงอนเนรชาสมาบัติก็ได้หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ ปรุงได้หมดะถามว่าทําไมต้องปรุงมันปรุงเพราะมันรักตัวเองทําไมมันรักตัวเองมันก็ยึดถือว่าตัวเรามีอยู่ทําไมยึดถือว่าตัวเรามีอยู่นะเพราะ ม, ามันมีเอาวิชาไม่รู้ความจริงว่าขันห้าไม่ใช่เราเหรอกนะขันห้าเป็นตัวทุกข์เราไปเห็นตัวทุกข์ว่าเป็นตัวเรามันก็อยากให้มันกลายเป็นตัวสุขขึ้นมาก็ดิ้นรนปรุงแต่งไปไม่ต้องกลัวนะใจปรุงตลอดอ่ะ เพราะฉะนั้นภาวนาอยากรัวผิดแต่ผิดแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้ไปอันไหนที่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ผิดอีกอันไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ผิดอีกแต่ว่าเรียนรู้ปรากฏการแต่ละปรากฏการเราเรียนรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าใจปรากฏการนี้เข้าใจปรากฏการนี้ไปเรื่อยๆนะที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยในเวลาที่เรารู้แจ้งธรรมะเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจปรากฏการ เราเข้าใจภาพรวมของปรากฏการณ์เนะลยเข้าใจว่าทั้งหมดนั่นเองเป็นไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราแต่เดิมเราเห็นปรากฏการณ์ทีละปรากฏการณ์เช่นความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้เลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภความหลงเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะไม่มีตัวเรานี่พอรู้ซ้ำแล้วซ้ีอีกตรงใจจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันจะรู้ภาพรวมทั้งหมดเลยไม่มีตัวเรา มันรู้รวบยอดเพรฉะนั้นเราเรียนรู้แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยจริงๆรู้เพื่อให้เห็นกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลของมันกฎเกณฑ์ที่เป็นสามัญของแต่ละปรากฏการณ์น่ีงสุดเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมดการที่เราจะไปเข้าใจปรากฏการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้หมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะปรากฏการณ์ทั้งหลายนี่มีนับไม่ถ้วนมีเยอะแยะเลย แต่ว่าพอเราเห็นปรากฏการณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันได้ข้อสรุปเกิดปัญญารวบยอดได้ข้อสรุปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทุกสิ่งนั้นดับไปหมดมันได้สรุปอย่างนี้เนี่ยเข้าถึงธรรมะคือเข้าใจความจริงของธรรมดา น, นั่นเองเข้าใจความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายว่าถ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้น ง, งั้นหลวงพ่อถึงบอกสองคนนี้ไม่ต้องไปวุ่นวาย ศึกษาปรากฏการในรายละเอียดแต่ละอันแต่ละอันหลายคนกลัวงโง่ศึกษาปรากฏการรายละเอียดทีละอันทีละอั น, ลอนแล้วก็หลงไปกับปรากฏการไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะปรากฏการนั้นมีนับไม่ถ้วนเพราะมันปลุงไปเรื่อยๆปลุงไปปรุงไปพอเข้าใจนะก็หายไปพักหนึ่งเพลอเพลอกลับมาหลอกได้ใหม่อีกนะกิเลสหน้าเดิมนะกลับมาหลอกได้อีก แต่ว่าเราเห็นทุกปรากฏการ์นะมันมีสามัญลักษณะมีลักษณะร่วมกันทุกอย่างเกิดแล้วดับมีลักษณะร่วมของทุกๆปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นใจเข้าใจตรงนี้เนะี่ยเราเข้าใจทั้งหมดแล้วงั้นบางทีการเรียนรู้ปรากฏการ์ไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้ปรากฏการใ์ใดๆเกิดบ่อยนะเอามันคู่เดียวพอคนไหนขี้โมโ oh, หดูจิตที่โกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนโลภมาก ดูจิตที่โลภ ก, กับจิตไม่โลภวันไหนใจลอยบ่อยนะฟุ้งซ่านมากดูจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวพอเห็นแล้วก็เข้าใจสามั ญ, ญลักษณะของความเผลอไปกับความรู้สึกของความโกรธกับความไม่โกรธของความโลภ ก, กับความไม่โลภเข้าใจสามัญลักษณะตรงนี้เข้าใจทั้งหมดละเข้าใจปรากฏการณ์ทั้งหมดเลยครานี้อะไรเกิดขึ้นในะใจไม่หวั่นไหวละ ยกตัวอย่างภาวนาไปแล้วใจว่างจิตว่างขึ้นมาใจก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะรู้ว่าจิตว่างนี่ก็ไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่เพื่อจะเอาใค่ยๆเรียนไปนะอดทนเรียนฟรีนะเรียนเลยนี่ยเก็บตังค์นะไม่มีข้าวมาก็ยังมีข้าวให้กินด้วยนะว่าครับขอถามนินครับอีควารู้สึกตัวมึงว่าโกรธเนี่ยมันจะมีน้ําหนักอยู่ที่ หัง อ, อกหรืออะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าโลบเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักอยู่แต่หลงเนี่ยมันไม่มีหลงมันมีน้ําหนักหน้าน้ําหนักนติดลบบางทีเหมือนฟุ้งกับจัดกระจายไปรู้สึกมันเหมือนแบบเอามาดูตัวที่จริงหลงเพราะจริงรู้สึกว่าคิดนู่นคิดนี้มากแล้วบางทีสบายเลยเผลอเลอเพลินเลนแลมีความสุขนะ <c oughs> ใช่มันรู้สึกเห <c oughs> มือนไม่ไม่มีอะไรตัวเทียบตัววัดเหมือนนะเหมือนความโกรธอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเคยรู้สึกตัวแล้วถึงจะรู้ว่าความหลงความเผลอเป็นตัวทุกข์ถ้วรู้สึกตัวจนชํานาญนะพอไหลไปแว บ, บก็เห็นเลยทุกข์ละเผลอแล้วทีไรก็ทุกข์ทุกทีเลยกินรัดดูอับไหมเวลารู้สึกตัวสบายเวลาเผลอไปก็เป็นทุกข์แล้วสุขทุกข์อันนี้ยังเป็นของสัมผัสอยู่สุขทุกข์พวกนี้ของสัมผัสทั้งหมดเลยอย่างคนทั่วๆไปนะก็รู้สึกชีวิตของเขาก็ปกติมีความสุขดี พอได้ปฐมฌานนะพอเสื่อมจากปฐมฌานรู้เลยมาเป็นคนธรรมดามีความทุกข์พอได้ทุติยฌานนะเสื่อมจากทุติยฌานมาอยู่ปฐมฌานเห็นเลยปฐมฌานเป็นความทุกข์เนี่ยทุกอย่างยังทุกสัมผัสอยู่ทุกสัมผัสแต่ความรู้แจ้งว่าขันห้าเป็นทุกข์นี่นะทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ได้เปรียบเทียบกับใครนี่ทุกข์ขั์ ขันหเป็นทุกทุกอีกอย่างลึกซึ้งปัณีิสุดๆเลยถ้าเริ่มเห็นกายเป็นทุกทุกขัสสะก็ได้อนาคาล้เห็นจิตเป็นทุกขัสสะได้พระอรหันต์ตอนนี้เราก็ดูไปได้วยนะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นไปเราเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นดำเนิชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมะสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ทุกเท่าไหร่ อย่างเราต้องแก่สองกระจกนะวันนี้หางตาขึ้นแล้วนี่หางตาจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยใจไม่ยอมรับนะมันก็ทุกข์นะถ้าใจยอมรับโอ้นี่สัญลักษณ์แห่งประสบการณ์ชีวิตเกิดขึ้นแล้วภาคภูมิใจในความแก่มีความสุขที่ได้แก่เป็นบุญนะ เป็นบุญมากมายมีโอกาสอยู่จนแก่ตั้งก็พอจะเริ่มเข้าใจคำที่หลวงพ่อบอกว่าให้เลิกปฏิบัตินะคะมันพกเคลื่อนไหวกายอะค่ะแล้วไอ้ลืมเรื่องการปฏิบัติไปเลยอะค่ะหมายความว่าตอนเนี้ยเหมือนกับแบบเราไม่ได้ปฏิบัติอยู่แต่มันจะไปตกร่องที่มันค่อนข้างพอดีอะค่ะ แล้วก้อนที่เหมือนกับหมอกควันนั้นหนาที่หัวหรือว่าที่กลางอกเนี่ยมันมันก็หายไปเลยดีนะค่อยดูไปจริ ง, รงๆแล้วเสร็จแล้วเราจะมีเปลือกที่สายมองไม่เห็นเลยครอบคลุมจิตเอาไว้สายมองไม่เห็นไฟประณีตขึ้นประณีตขึ้นคาว่าปูถุชนหรือว่าคนหนานึกออกไหมที่ผ่านมามันหนามากตอนนี้มันบางแล้วรู้สึกไหมมันบาง แต่เดิมจิตใจนะถูกห่อหุ้มไว้หนาเลยทั้งหัวหูอะไรนะถูกทับไปหนาเลยนะเรียกหนาหนาักบางคนบอกเหนียวหนาหลายสำนวนนักปฏิบัติดูโมันทั้งเหนียวทั้งหนาบางคนบอกมันทั้งหนาทั้งหนักเลาคอยรู้คอยดูนะ ส, สติปัญญาแก่รอบขึ้นมาปรุงน้อยลงน้อยลงพวกนี้บางลงบางลงแท้จริงเราปรุงเองทั้งหมดเลย ถ้าเมไรสติปัญญาแก่รอบในรู้แจ้งแทงตลอดในขันแล้วเลิกปรุงนะไม่มีหรอกไม่มีอ า, อาสวะเองก็เกิดจากอาาวิชชาอวิชชาก็เกิดจากอาสวะยิงอาศัยกันใจสงสัยทราบไหมใจสงสัยแวบขนมาพระพุทธเจ้าบางองค์เวลาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบางองค์พิจารณามาอย่างพระวิปัสสิตรัส ร, รู้ไวเลย ท่านดูลงมาถึงอะไรเป็นปัจจ да. ัยของนามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปอะไรเป็นปัจจัยของวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณพกกลับตรงที่วิญญาณนี้จบตรงนี้ละพระพุทธเจ้าของเราตรงนี้ยังไม่พอใจอะไรเป็นปัจจัยของวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณอะไรเป็นปัจจัยของสังขารอวิชาเป็นปัจจัยของสังขารท่านมาถึงอวิชาก็บนกลับตรงนี้ จึงยังมีลงไปอีกชั้นหนึ่งคืออะไรเป็นปัจจัยของอาวิชาคืออาสะวะเป็นปัจจัยของอาวิชาอะไรเป็นปัจจัยของอาสะวะอาวิชาเป็นปัจจัยของอาสะวะตัวสุดท้ายนจะไปอิงอาศัยกันท่านแต่ละองค์นะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พิาณาปฏิจจสุบัติยาวไม่เท่ากันจริงๆแล้วสิ่งที่ห่อพุ่ม จ, จิตใจของเราไว้ก็คือพวกอาสะวะนั่นเองอาสะวะกิเลส อาสวะกิเลสมันคล้ายๆคราบคราบของน้ํานะอย่างเราทําน้ําหกบนไม้กระดานน้ําไหลไปเราเช็ดจนแห้งนะพอทําน้ําหกที่เก่านนะั้จะวิ่งไปรอยเดิมอย่างรวดเร็วมันเคยไปละมันมีความชื้นค้างอยู่อาสวะมันก็เหมือนรอยเปื้อนของน้ําในไม้กระดานมันจะพาอากิเลสกลับเข้ามาห่อพุ่มจิตใจยอย่างรวดเร็วเลยนี่อาสวะเองก็เป็นสิ่งที่เราปรุงขึ้นมา ถ้าเรารู้เท่าทันนะละอวิชาไปปล่อยวางความยึดถือจิตใจได้นะอาสวะขาดตรงนั้นเหมือนกันอาสวะเวลาขาดนะมันจะขาดคล้ายๆเปลือกไข่นะเปลือกไข่พอลูกไก่มันโตเต็มที่แล้วมันเจาะเปลือกทะลุกออกมาฉนเวลาในพระไตรปิดกท่านใช้คำซื่อๆเลยใช้คำตรง ๆ, ๆเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะ มันคล้ายๆลูกไก่หลุดออกมาจากเปลือกอจิตหลุดพ้นจากอาสวะหลุดออกมาจริงๆพอหลุดออกมาได้มันเป็นอิสระจิตใจเราแต่เดิมมันเหมือนแก๊สที่อัดไว้ในลูกโป่งอันหนึ่งลูกโป่งแตกพอลูกปป่งแตกไปแก๊สนี้กระจายไปเต็มโลกเลยกระจายกว้างขวางไปไม่รวมตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาอีกจิตใจก็กว้างขวางครอบโลก มมีจุดมีดวงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกเวลานิพพานนะจิตก็ดับไปเหมือนไฟดับถต่ว่าไฟดับนี่ไฟศู์ไปไหไฟที่ดับไฟไม่ได้สูญ น, นะแต่ไฟนั้นกระจัดกระจายเต็มโลกไปค่อยเรียนนะภาวนาใจประณีตขึ้นประณีตขึ้นนะมีแต่ความสุขพอใจเราไม่มีเปลือกหุ้มแล้วมีความสุขที่สุดเลย คนในโลกเล่าร้อนทุรนทุรายน่าสงสารได้คนช่วงนี้ก็เห็นว่าหลงไปยาว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้ ว, ว ก, ก็พอเห็นว่าหลงแล้วก็บางทีก็กลับก็ตอนนี้ก็จะกลับมาประคองอยู่เจ้าค่ ะ, ะยังประคองอยู่นะ ใ, ให้รู้ทันการประคองอยู่พระอาจารย์คะที่ปฏิบัติอยู่ก็คือว่าช่วงหลังนี้จะเดินจงกรมเยอะขึ้นเจ้าค่ะ แล้วก็เดินเหมือนกับมีผู้รู้แล้วก็ผู้ถูกรู้ในอาการที่ก้าวไปปรับตามปกติแล้วก็จะมีจิตที่ไปสังเกตตัวผู้รู้เจ้าค่ะแล้วก็ก็รู้ได้เท่าที่รู้อย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ใจขณะนี้เป็นไงรู้ตัวเต็มที่ไหมตอนอะไรนะเจ้าค่ะขณะนี้รู้สึกตัวได้เต็มที่ยังไม่เต็มที่เจ้าค่ะเกิดอาการตั้งใจมัน <ใจ S 1> เป็นยังไงซึมๆเล็กนอ้อยอซึมๆทื่อๆเจ้าค่ะ เหรา ก, ก็ปรุ ง, องเองหละเราปรุงไ้เราไปประคองไปกำหนดไปควบคุมไปกลัวไม่ดีกลัวไม่ดี ไ, ดไปทำไมโยนทิ้งไปไม่ดีก็ไม่ดีสิไม่ดีก็ช่างมันน ะ, น ะ, ะอย่า ก, กลัวขอบพระาพอดีหนูหนูเคยฟังซีดีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็วันนี้หนูมาเป็นวันแรกอะคะ่ะเราไงล่ะ ไม่ทราบว่าออหนูพอใจเป็นกิเลสตั้งไหมวันวันหนึ่งก็คือจะฟุ้งซ่านคิดบ่อยอะคะอ่ะแล้วก็ค่อนข้างนานถ้าถ้ามีสติก็จะกลับมาได้ได้เร็วขึ้นคเวลาที่เราเกิดสติเราอย่าดึงคืนมานะเวลาเราเผ ล, อ, เลอไปพอเรารู้ว่าเผลอเราชอบไปดึงมาถ้าเราไปดึงมามันจะอึดอัดเราอย่าไปดึงเผลอก็เผลอ เผลอแล้วก็รั่วยังจงใจอยู่นิดหน่อยยังจงใจแบบเพ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เราจงใจขึ้มัเก็ไปเพ่งไว้พี่ชัยได้อีกสองคนก็ดีวันนี้มีโมหานิดหน่อยครับรู้สึกว่ามันเหมือนยังบางช่วงยังนิ่งอยู่นิดนิดแต่ว่ายังมองตัวที่ว่าไปตรึงบางทีก็มองทันบางทีก็มองไม่ทันพี่ชัยดูสิใน ทุกตัวเนี่ยเห็นไหมไม่มีตัวไหนมีเราสักตัวหนึ่งหรือออกไหมไม่ออกไม่ได้ไปดูมันอะไรนะมีราบจะไปดูตรงไหนในความโกรธมีเราไหมในความมัวมีเราไหมก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีหรอกลองปรับมุมมองนิดหนึ่งนะไม่งั้นใจเราก็จะไปค้างตรงนี้ดูลงไปในปรากฏการณ์ทั้งหมดในสภาวะทั้งหมดนะไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยแต่ไม่คนกวาเยอะนะ แค่เฉลียวใจนิดเดียวว่าในเราไปหายไปไหนละนิดเดียวนะนิดเดียวมันจริงๆแล้วในที่ผ่านมาก็ก็ไม่ค่อยเห็นเลยว่าเรามันอยู่ตรงไหนอะไรอ่จริงๆไม่มีแต่ว่าใจเนี้ย <c oughs> ไม่ยอมเรียนรู้จุดนี้ใจม่อแต่ไปเรียนรู้ปรากฏการณ์แล้วไปดูอะไรอย่างนั้น ค, คือเหมือนถ้าเคยเห็นมันจะเปรียบเทียบได้ครับเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับว่าไม่ไม่เคยไปมองไม่เคยเห็นมันไม่เป็นไรฟังไม่เฉย ฟังไม่เฉยเฉยอ่ะเดี๋ยวใจเป็นมองเองแหละมีโมหะค่ะพระอาจารย์ไม่ค่ะไม่มีอะไรนะคะเนี่ยตอบถูกนะนิมนต์ฉันครับนิมนต์เอาเชิญโยมไปทานข้าวเชิญ